สองประการเป็นฉไงคือฮิริหนึ่งโอตปาหนึ่งดูกรพิสูจน์ทั้งหลายถ้าว่าสุขธรรมสองประการนี้จะไม่พึงรักษาโลกไซในโลกนี้ก็จะไม่พึงปรากฏว่ามารดานะป้าพัญญาของอาจารย์หรือว่าพัญญาของครูโลกจะถึงความปะปนกันเหมือนอย่างแพะแกะไก่สุกรสุนัขสุนักจิ้งจอกฉะนั้นนะครับไม่ต่างจากปศุสัตว์ทั้งหลายเลยนะไม่ต่างจากสัตว์ทั้งหลาย ดูการพิสูจทั้งหลายก็เพราะเหตุที่สุกรธรรม2ประการนี้ยังรักษาโลกอยู่ฉะนั้นจึงยังปรากฏว่ามารดานะ้าป้าพัญญาของอาจารย์หรือว่าพัญญาของครูนะครับเพราะมีฮิริโอตปะนะจึงทําให้มีศีลเหล่านี้บ้างนะครับถ้าไม่มีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ของศีลเหล่านี้นี่นะครับพงแย่นะครับแล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าถ้าสัตว์เหล่าใดไม่มีฮิริและโอตปะในการทุกเมื่อไซ สัตว์เหล่านั้นมีสุกธรรมเป็นมูลปราดไปแล้วเป็นผู้ถึงชาติและมรณะส่วนสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งฮิริและโอตปะไว้โดยชอบในการทุกเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกงามเป็นผู้สงบมีพบใหม่สิ้นไปแล้วนะครับคือถ้ามีหิริโอตปะฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ของศีลศีลก็เป็นเหตุใกล้ของจิตตะนะหรือจิตสิกขาจิตสิกขาก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นฮิริโอตปะนี้จึงเป็น พื้นฐานเพื่อความพ้นจากวัฏทุกข์แต่หาว่าผู้ที่ขาดฮิริโอตปะโลกก็เดือดร้อนแน่นะครับกาครับ้เหตุปัจจัยที่ให้ฮิริโอตปะเกิดเนี่ยก็เหตุปัจจัยของฮิริโอตปะก็คือพวกโยนิโสเป็นต้นนั่นเองนะครับสติสัมปชัญญะเป็นต้นนะครับเป็นเหตุปัจจัยให้ฮิริโอตปาเกิดนะสรุปแล้วก็คือการฟังเป็นต้นมาอย่างดีนะครับ เช่นผู้ที่จะเฮริโอตาปาไม่ทําชั่วเนื่องจากมีข้อมูลในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีจึงเว้นได้นะครับบทว่าสุกาชื่อว่าสุกธรรมเพราะเป็นธรรมเขาก็สุกธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความผ่องแผ่อย่างยิ่งโดยความเป็นธรรมเขาเพราะเหตุนั้นทำทั้งหลายชื่อว่าเขาเพราะเป็นธรรมะเขาบริสุทธิ์ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งปวงแม้โดยพร้อมด้วยรถชื่อว่าธรรมเขาเพราะตรงกันข้ามกับความเป็นธรรมดํา ด้วยว่าเพราะธรรมะเขาเกิดขึ้นจิตจึงเป็นประพัดสอนบริสุทธิ์บทว่าธรรมมาได้แก่ธรรมะเป็นกุศลนะครับบทว่าโลกังได้แก่สัตว์โลกนะครับบทว่าปาเลนติได้แก่วางขอบเขต ร, รักษาไว้ด้วยการรองรับไว้ทรงไว้ในบทว่าฮิริจะโอตปันจะนี้เพืงทราบอธิบายดังต่อไปนี้ชื่อว่าหิริเพราะอันเขาละอายชื่อว่าฮิริเพราะเป็นเหตุละอายนะครับ แม้ข้อนี้ท่านก็กล่าวไว้ว่าข้อที่อันบุคคลละอายด้วยสิ่งที่ควรละอายคือละอายต่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอัลามกท่านเรียกว่าฮิรินะครับคืออายต่อความชั่วทั้งสาทวานนั่นเองนะครับเออและอย่างที่คนที่เขามีประเพณีรองรับเขาก็ไม่กล้าทําชั่วแต่ว่าประเพณีบางที่เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล แต่แต<น>ถึงรู้ถึงไม่รู้ก็เป็นกุศลนะครับถึงไม่รู้ทําก็เป็นกุศลนะแต่ทีนี้ว่ากุศลใดที่ทําด้วยความไม่รู้นะครับกุศลนั้นก็จะไม่มีผลมากไม่มียในสง์มากเพราะไม่อยากจะเจริญไม่อยากจะรักษานะครับแต่ถ้ารู้ผลก็จะทําได้ยาวนานนะครับเหมือนกับเด็กให้ทานไม่รู้ว่าเป็นบุญเป็นอรรอนอกแต่คิดจะให้นั้นก็เป็นกุศลของเด็กนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้เนี่ยนะบางทีมันก็เลิกง่ายอะไรง่าย จะโดยอะไรก็ตามนะครับถ้าสิ่งนั้นชอบทำนะถ้าคนตั้งใจประพฤติตามก็เป็นแล้วเช่นที่ว่ากติกาวัดทั้งหลายเช่นตระกูลผู้ดีทั้งหลายอะไรเนี่ยนะครับเขาตั้งว่าตระกูลเราต้องไม่ทําแบบนั้นไม่นั้นนะต้องไม่กินเหล้านะอะไรเงี้ยนะเขาตั้งไว้นี่นะเมื่อปารภถึงประเพณีนั้นมเมื่อไหร่ปารภเมื่อไหร่ล้วเวน้นก็เป็นศีลขนาดนั้นๆ น, น, นะครับก็เป็นทุกครั้งแหละ แต่อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่รู้ว่านี้เป็นกุศลเป็นต้นเนี่ยก็จะไม่สําคัญว่าควรรักษาเอาไว้ไม่สําคัญว่าควรเจริญไม่สําคัญว่าควรปฏิบัติไม่สําคัญว่าควรทําให้มากนะครับเพราะว่าเป็นญาณวิปยุทธ์นะ ท, ที่เจริญแต่ขณะที่ปรารบประเพณีเหล่านั้นก็เป็นกุศลละ่ะนะครับถ้าเว้นจากความชั่วนนะจะปรารบด้วยเวน้นด้วยเหตุใดก็ตามก็เป็นกุศลในขณะนั้นนั้นไป ชื่อว่าโอตา ป, ปะเพราะกลัวนะครับชื่อว่าโอตา ป, ปะเพราะเป็นเหตุกลัวเม้ข้อนี้ท่านก็กล่าวไว้ว่าข้อที่กลัวสิ่งที่ควรกลัวคือกลัวต่อความเกิดแห่งอกุศลธรรมอัลามกท่านเรียกว่าโอตา ป, ปะในฮิริและโอตา ป, ปะนั้นฮิริเกิดขึ้นในภายในโอตา ป, ปะเกิดขึ้นในภายนอกฮิริถือตนเป็นใหญ่โอตา ป, ปะถือโลกเป็นใหญ่ฮิริตั้งอยู่ในความละอายเป็นสภาวะเป็นสภาพนะครับ โอต ป, ปะตั้งอยู่ในความกลัวเป็นสภาพหิริมีลักษณะยำเกรงโอต ป, ปะมีลักษณะเห็นภัยอันเป็นโทษที่น่ากลัวนะครับทีนี้ก็อธิบายในที่จริงหัวข้อ3าสี่บรรทัดที่กล่าวไปเมื่อกี้เป็นหัวข้อนะครับหัวข้อในการขยายในฮิริและโอต ป, ปะนั้นฮิริเกิดขึ้นในภายในย่อมเกิดด้วยเหตุสี่อย่างนะครับคือนึกถึงชาตินึกถึงวัยหรือว่านึกถึง ความเป็นผู้กล้านึกถึงความเป็นผู้คงแกรียนะนะอย่างเช่นถามว่าอย่างไรตอบว่าบุคคลนึกถึงชาติอย่างนี้ก่อนว่าเชื่อว่าการกระทําความชั่วนี้ไม่ใช่เป็นการกระทําของคนผู้มีชาติเจริญเป็นการกระทําของชาวประมงเป็นต้นผู้มีชาติต่ําผู้เจริญด้วยชาติเช่นท่านไม่ควรกระทำำํากรรมนี้ดังนี้แล้วก็ไม่ทํากรรมชั่วเกิดฮีริขึ้นนะครับโอ้เราจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงนะครับ ก็เรีกว่าปลาลบถึงชาติตระกูลเนี่ยนะเฮ้ยตระกูลเราไม่ไปกินเหล้าย่ําเป๋แบบนี้อะไรหรอกนะครับลักษณะ น, นี้ก็เวน้นแล้วก็ไม่ทําซะนะครับหรือบางทีก็นึกถึงวัยอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการกระทําชั่วนี้เป็นกรรมของคนที่ยังหนุ่มนๆควรกระทําคนที่ตั้งอยู่ในวัยเช่นท่านไม่ควรทํากรรมดังนี้แล้วก็ไม่กระทํากรรมชั่วมีปาณาติบาตเป็นต้นเกิดฮีริขึ้นอ๋ายกตัวอย่างนะครับแบบคนสูงอายุมากๆเนี่ยนะเขาหาเด็กผู้หญิงมาให้นะ เสร็จแล้วก็คนที่สูงอายุมากๆเฮ้ย hey, นี่มันลูกเราหลานเราทั้งนั้นแหละก็ฮีริโอตาปะเกิดก็ไม่ไม่ละเมิดนะครับนะ mm hmm. คนที่มีฮีริโอตาปะก็ทําให้กุศลศีลเกิดขึ้นได้แม้ในขณะนั้นนะครับ mm hmm. เช่นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะครับ mm hmm. เขาหาผู้หญิงมาให้นะนะนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วผู้ใหญ่เหล่านั้นก็เฮ้ยมองเห็นมันลูกหลานเราทั้งนั้นแหละก็เลยหีริตั้งขึ้นนะครับมันมองเป็นลูกเป็นหลานตัวเองนะก็เลยไม่ไม่ทํานะครับ mm hmm. หรือนี่เรียกวันนึกถึงวัยนะ รนะุนลุนปูนลูกปูนหลานเราทั้งนั้นแหละเหมกันแต่ไปท่านนึกถึงความเป็นผู้กล้าอย่างนี้ว่าขึ้นเชื่อว่าการกระทำความชั่วนี้เป็นการกระทำของคนที่มีกำลังอ่อนแอผู้ที่สมบูรณ์ด้วยกำลังเช่นท่านไม่ควรกระทำกรรมนี้ดังนี้แล้วไม่กระทำกรรมชั่วมีปาณาติบาตเป็นต้นตั้งฮีริขึ้นนะครับโอ้ยนะเราเนี่มันไปทาบาปทากรรมทาชั่วยางนี้ได้ยังไงอย่างนั้น อันหนึ่งนึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการกระทําความชั่วนี้เป็นการกระทําของอันตรพาณ น, นะครับเป็นของคนบอดคนเข่าอ่ะนะม่ใช่เป็นการกระทําของบัณฑิตผู้เป็นบัณฑิตคงแก่เรียนเช่นท่านไม่ควรทํากรรมนี้ดังนี้แล้วก็ไม่ทำความชั่วมีปาณาติบาตเป็นต้นเกิดฮีรีขึ้นเช่นพระที่ศึกษามามากก็ไม่กลา้าผิดศีลเป็นต้ น, นเนื่องจากว่าเรียนมามากอุ้ยนะครับเรียนมาขนาดนี้แล้วยังไปทํางง อ, อ, อย่างนี้อีกเหรออะไรเงี้ยนะครับก็ฮีรีก็ตั้งขึ้นได้ บุคคลยังฮิริอันเกิดในภายในให้เกิดขึ้นด้วยเหตุสีประการอย่างนี้นะครับคือ 1. ชาติ 2. วัยผู้กล้าสี่ผู้คงแก่เรียญ น, นะครับรก็และครั้นให้เกิดแล้วพิจารณาถึงฮิริในจิตของตนแล้วไม่กระทำกรรมชั่วฮิริชื่อว่าเกิดขึ้นในภายในด้วยประการชนินะครับฮิรินปารบเหตุภายใน ถามว่าโอตปะชื่อว่าเกิดในภายนอกเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าบุคคลนึกอยู่ว่าหากว่าท่านจะ ก, กระทํากรรมชั่วนี้ท่านจะได้รับความติเตียนในบริษัท4นะถ้าเป็นพระภิกษุนะเป็นพระภิกษุโอ้นี่นะภิกษุอื่นรู้แย่ yeah, แล้วนะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการู้เราก็อายเขานะอย่าไปทําอย่างนั้นเลยอย่างนั้นนะ วินยูชนทั้งหลายจักติเตียมท่านเหมือนชาวเมืองรังเกียจของศกปรกท่านถูกผู้มีศีลกำจัดเสียแล้วจกเป็นภิกษุอยู่ได้อย่างไรนะครับจะไปทําชั่วย่างได้ย่างหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวภิกษุอื่นๆเขาจะรังเกียจ์เขาจะตําหนิเขาจะขะจัดเสียออกไปจมูกคณะย่อมไม่กระทํากรรมชั่วโดยโอตปะอันเกิดแล้วในภายนอกนั้นโอตปะเชื่อว่าตั้งขึ้นในภายนอกด้วยประการชนินะครับละอายที่จะทำอ่ะนะเดี๋ยวคนอื่นเขารู้มหน้ารังเกียจนะครับ ถามว่าฮิริชื่อว่าถือตนเป็นใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรต่อว่ากุลบุตรบางคนในโลกนี้กระทำตนให้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าแล้วไม่ทากรรมชั่วด้วยเห็นว่าผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาเป็นผู้คงแกเรียนผู้กล่าวสอนทุดงเช่นท่านไม่ควรตามกรรมชั่วดังนี้ฮิริชื่อว่าถือตนเป็นใหญ่ด้วยประการชนี่ นะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโสอัตนานเยวะอธิปติงกตวะอกุศลังปชาหติกุศลังภาเวติสาวัตชังปชาหติอนะวัตชังภาเวติสุทธมัตตานังปริหารติความว่าบุคคลนั้นนึกทำตนเป็นใหญ่แล้วละอากุศลเจริญกุศลละสิ่งมีโทษเจริญสิ่งไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ดังนี้นะครับตกสื่อมไป เพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดลักษณะนี้ก็สามารถทําตัวให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลต่อไปได้ถามว่าโอตาปะชื่อว่าถือโลกเป็นใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่ากุลบุตรบางคนในโลกนี้นึกถึงโลกเป็นใหญ่เป็นผู้เจริญแล้วไม่กระทําความชั่วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าโลกสันนิว่านี้ใหญ่นักแลในโลกสันนิว่าใหญ่มีสมณนพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีที่ปจักษสุรู้จิตของผู้อื่น ท่านเหล่านั้นย่อมเห็นแต่ไกลไม่เห็นแม้ในที่ใกล้คือคือว่าขนาดที่ไกลยังเห็นว่างั้นเถอะย่อมรู้จิตด้วยจิตท่านเหล่านั้นก็จะประกาศให้รู้ให้รู้จากเราอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูกุลบุตรนี้เขามีศรัทธาออกบวชแลว้วยังเกลือกกล้วด้วยอกุโสลธรรมอัลามกอยู่อีกดังนี้นะนนี้หมายก็ว่าโหดูสิพระรูปนั้นเนี่ยนะท่านก็ตั้งใจมาบวช ด, ดีๆแต่ยังไงนอนชุ่มอยู่กับบาปไปได้อย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็ละอายอย่างไอกลัวแบบนี้ก็เลยไม่กล้าคิดชั่วเป็นต้นนะครับหรือว่ามีเทวดาผู้มีฤทธิ์มีทิพยจักษุผู้รู้จิตของผู้อื่นเทวดาเหล่านั้นย่อมเห็นแม้แต่ไกลเขาไม่ปรากฏแม้ในที่ใกล้นะครับคือหมายคือว่าเทวดาผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะถึงไม่อยู่ใกล้ๆตัวเอง ก, ตองก็ตัวเองก็ยังมองไม่เห็นเขาอ่ะนะเขาหายตัวมาดูยืนดูอยู่นะหรือมานั่งจ้องดูที่ดูที่มันจะทํำยังไงนะนั่งคขำๆโดยที่เราไม่รู้นะแล้วก็เกลือกเลืออยู่กับบาปนะนะั่นแหละ นะครับนะนี่แหละว่าคนมีศีลมีธรรมเนี่ยนะหรือว่าประกาศตัวว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นโทษเป็นต้นเนี่ยนะย่อมรู้จิตด้วยจิตเทวดาเหล่านั้นก็จักประกาศให้รู้จักเราอย่างนี้ว่านะเทวดาไปเล่าบอกกันหน่อนะว่าท่านทั้งหลายจงดูกุ่บุตรนี้ผู้มีศรัทธาออกบวชแล้วยังเกลือกกลั้วด้วยอกุศลธรรมอัลา ม, มกอยู่อีกดังนี้กุ่บุตรนั้นกระทำโลกให้เป็นใหญ่แล้วจึงละอกุศลดังนี้โอตปะถือโลกเป็นใหญ่ด้วยประการชนนี้แหละ ไปดูนะถ้าอ่านเรื่องปฐมปราชชกเนี่ยนึกถึงพระสุทินใช่ไหมครับเทวดานี่บลูจนถึงพรมโลกเลยนะครับข่าวพักเดียวเนี่ยดังถึงพรมโลกเลยนะที่เสศเมถุนทำกับปัญญาเก่านะครับนะก็ลักษณะนั้นน่ะเละนี่เขาเรียกว่าปราลบโลกเป็นใหญ่นะก็ไม่ทําชั่วนะครับเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้โหพระองค์เห็นอยู่นะเนี่ยที่เรากํลาลังทําอะไรอะไรอยู่เนี่ยนะพระสารีบุตรพรโมกขาลานะพระทหารที่รู้วาราจิตของคนอื่นนี่มองเราอยู่นะ ถ้าคุณกำลังทําอะไรอยู่เนี่ยนะเพราะการทําชั่วนี่อย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะแบบนั้นเถอะบทว่าสัจชาสภาวะสันธิตานี้พึงาาทราบอธิบายดังต่อไปนี้อาการแห่งความละอายชื่อว่าลัชชาเฮริตั้งอยู่ในสภาพนั้นนะครับคือตั้งอยู่ในความละอายนะความกลัวนะครับความกลัวในอบายชื่อว่าภัยโอตปะตั้งอยู่ในสภาพนั้นทั้งสองอย่างนั้น เป็นอันปรากฏเว้นจากความชั่วนะครับเช่นโอตะปะก็ของหงนี่ถ้าทำชั่วอย่างนี้นะผลต่อไปจะได้รับอย่างไรต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าอตุตะปะในฮิริและโอตะ ป, ปะนั้นมีวินิจฉัยว่าเหมือนอย่างว่าก้อนเหล็กสองก้อนก้อนหนึ่งแม้เย็นก็เปื้อนคูตก้อนหนึ่งร้อนจัดในสองก้อนนั้นวินยูชนเกลียดก้อนที่เย็นเพราะเปื้อนคูดจึงไม่จับอีกก้อนหนึ่งไม่จับเพราะกลัวความร้อนฉันใดบัณฑิต เกลียดไม่ทําความชั่วเพราะละอายกลัวอบายไม่ทําความชั่วเพราะเกรงกลัวก็ฉะ น, นั้นฮิริตั้งอยู่ในสภาพแห่งความละอายโอตตะ ป, ปะตั้งอยู่ในสภาพแห่งความกลัวกลัวผลที่จะได้รับแล้วละอายที่จะทำนะครับถามว่าหิริมีลักษณะยำเกรงโอตตะ ป, ปะมีลักษณะเห็นไถอันเป็นโทษที่น่ากลัวนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าจริงอยู่บุคคลบางคนยังหิริอันมีลักษณะยำเกรงให้เกิดขึ้นด้วยความเคารพ ในผู้นั้นโดยอาการสี่อย่างคือนึกถึงความเป็นใหญ่โดยชาติเนึกถึงชาติของตัวเองนึกถึงความเป็นใหญ่โดยที่เป็นผู้สอนคนอื่นเขาอะนะนึกถึงความเป็นใหญ่ในมรดกคือรับมรดกจากพระผู้มีพระภาคอะนะนึกถึงความเป็นใหญ่ในทางพรหมจรรย์เนี่ยโหศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ธรรมดานะใครที่จะมาประพฤติได้เป็นต้นแล้วก็ไม่ทําความชั่วนะครับนึกถึงชาตินึกถึงความเป็นครูอาจารย์ของตัวเองอะนะ นึกถึงว่าเรานี่เป็นผู้รับมรดกจากพระผู้มีพระภาคนะพรมอาจารย์ศาสนพรมอาจารย์มรรคพรมจารย์ น, นี้เป็นของยิ่งใหญ่นะก็ไม่ทําชั่วส่วนบางคนก็กลัวโดยความเป็นโทษ ด, ด้วยเหตุสี่อย่างคืออัตตานุวาทะไพคือตัวเองจะตําหนิตัวเองได้นี่ถ้าทําบาปวันนี้นะเหีืย ว, วันหลังก็มานั่งบนนั่งตําหนิตัวเองว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะครับปารานุวาทะไพก็ผู้อื่นเขาตําหนิตีเตียนเอาใครรู้ใครก็ว่าเมื่อนั้นแหละ หรือว่าทันตะทันตภยถูกลงอาจยานะครับถูกลงโทษนะนะทุคติภายก็คือตกนรกนะครับแล้วก็เกิดโอตะปะอันมีลักษณะเห็นภายอันมีโทษน่ากลัวแล้วจึงไม่ทำความชั่วอันหนึ่งในข้อนี้เมื่อท่านกล่าวถึงหิริและโอตะปะอันเกิดในภายในเป็นต้นโดยความเป็นสิ่งปรากฏในที่นั้ น, น, นบางครั้งหิริโอตตปะนั้นไม่พรากจากกันเลยเพราะความละอายไม่มีความกลัวย่อมไม่มี หรือความกลัวต่อบาปไม่มีความละอายก็ย่อมมีไม่ได้ด้วยประการชนนี้เพราะสิ่งนี้เป็นของคู่กันนะครับเรียกว่าเป็นโลกกับปารธรรมนะครับธรรมที่รักษาโรคนะเรียกโล ก, ก บ, บาล น, นะบทว่าอิเมเจพิกเวเดเวสุ ก, กาธรรมมาโลกังณนะปาลยุงความว่าดูความพิสูจนทั้งหลายผิว่าธรรมะไม่มีโทษสองอย่างเหล่านี้ไม่พึงรักษาโลกคือพีว่าธรรมะรักษาโลกไม่พึงมีบทว่านะ ยทปัญเยทะมาตาความว่าโลกนี้มารดาผู้บังเกิดกล้าวก็จะไม่พึงปรากฏด้วยความเคารพว่านี้มารดาของเราดังนี้คือไม่พึงได้ชื่อว่านี้เป็นมารดาแม้ในบทที่เหลือก็เหมือนกันนะครับแม้แต่นะ้าแม้แต่ป้าภรรยาของลุงเนี่ยนะหรือว่าแม้กระทั่งครูนางคือผู้อยู่ในฐานะควรเคารพมีลุงอาพี่ชายเป็นต้น น, นะนะสำเพทางได้แก่ปะปะนกันหรือทําลายมัรญาติอันดี นะแล้วก็พงค์ก็อุปมาว่าจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ด้วยความเคารพยำเกรงวันนี้มารดาของเรานี้นะของเรานะพวกแพะแกะไก่เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายย่อมปฏิบัติผิดในวัตถุที่อาศัยเกิดแม้ตัวเองเกิดมาจากที่นั้นก็ยังไปปฏิบัติผิดในสิ่งนั้นอีกเหมือนแพะแกะไก่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงนําการเปรียบเทียบมาจึงได้นําเอาแพะและแกะเป็นต้นมา ความย่อในข้อนี้มีดังนี้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีแพะแกะเป็นต้นเว้นจากฮิริและโอตาตะไม่สำคัญมารดาเป็นต้นทำลายประเพณีสมสู่กันได้ทุกหนแห่งฉันใดมนุษย์โลกนี้ก็ฉันนั้นพิว่าไม่มีธรรมะคุ้มครองโลกก็จะพึงสมสู่กันได้ทุกหนทุกแห่งเพราะธรรมะคุ้มครองโลกเหล่านี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ฉะนั้นจึงไม่มีการสมสู่กันด้วยประการชนี นะครับและพว์ก็ตัดเป็นคาถานะครับคาถาที่ว่าถ้าสัตว์เหล่าใดมีหิริและโอตตปะในการทุกเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีสุขธรรมเป็นมูลปราดไปแลว้วเป็นผู้ถึงชาติและมรณะสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งหิริและโอตตปะไว้โดยชอบในกาละทุกเมื่อ สัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกงามเป็นผู้สงบมีพบใหม่สิ้นแล้วนะครับซึ่งขยายแบบสุดยอดเลยนะบทว่าโวกันตาสุกมูลาเตความว่าสัตว์เหล่านั้นก้าวล่วงคือพ้นจากกุศลเพราะกระทากรรมอันตัดขาดกุศลมูลหรือเพราะไม่มีหิริและโอตตปะอันเป็นที่ตั้งแห่งกุศลกรรมมีสุขธรรมไปปราดแล้วก้าวล่วงแล้วเป็นผู้ถึงชาติและมรณะ เพราะมีสภาพเกิดตายบ่อยๆย่อมไม่พ้นจากสงสารไปได้แสดงว่าฮิริระดับโลกุตระนะครับถ้าหากว่าผู้ใดไม่มีฮิริระดับนั้นก็ยากที่จะพ้นจากความแก่และความตายนะครับบทว่าเยสั้นจะฮิริโอตะปังความว่าก็สัตว์เหล่าใดาเข้าไปตั้งธรรมะเหล่านี้คือฮิริและโอตะปะไว้โดยชอบในกาละเป็นนวกะนะครับบวชใหม่เป็นมัชชิมะหรือว่าเป็นพระเถระตลอดวันตลอดคืนในกาละทุกเมื่อตลอดการ สัตว์เหล่านั้นเกลียดกลัวละบาปด้วยต่ทางค่าประหารเป็นต้นนะครับรักษาศีลเป็นตทางค่าประหารเจริญสมถะวิคัมปนาประหารเป็นต้นนะครับเจริญสมุทเฉทประหารปฏิปัสสติจนถึงเข้าถึงนิสรณะประหารนะครับบทว่าวิรุหะบ ร, รมจริยาความว่าสัตว์เหล่านั้นถึงความงอกงามด้วยาศาสนพรหมจรรย์คืองอกงามในศีลสมาธิและปัญญาและมรรคพรมจรรย์นะครับเพื่อเริยมักเป็นผู้สงบเพราะสงบกิเลส หรือมีคุณคือความสงบโดยประการทั้งปวงด้วยการบรรลุมชั้นสูงเป็นผู้มีพบใหม่สิ้นแล้วเพราะความสิ้นพบใหม่นะครับนี่ก็กล่าวถึงการผู้ที่มีฮิริโอตปะนะครับถ้าตั้งฮิริโอตปะแล้วฮิริโอตปะก็จะทำให้กุโซระศี น, นี่เกิดอย่างพร้พรอมเมื่อกุโซระศีนเกิดอย่างพร้อ ม, อมกุโซรธรรมชั้นสูงก็จะเกิดขึ้นโดยลาดับนะครับ